อันหนึ่งจากนั้นก็พึงทราบการพิจารณาขันติเป็นต้นอย่างนี้ว่าผู้ที่ตั้งอยู่ในขันติอันเหมาะสมย่อมควรแก่การเพ่งฌานทั้งลักคนูปนิชฌานและอารัมณูปริชฌานเพราะเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในอาหารการว่าเรามมังการว่าของเราเนี่ยนะก็กลายเป็นผู้ที่พิจารณาเห็นความเป็นสิ่งเป็นธรรมดาเว้นจากการยึดถือว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นต้น แล้วก็พิจารณาว่าสังขะธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นย่อมเกิดย่อมเสื่อมเป็นไปตามปัจจัยของตัวของตัวเนี่ยนะสังขารธรรมทั้งหลายเกิดจากการประชุมปรุงแต่งขึ้นจึงไม่มีการมาจากที่ไหนเมื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสลายไปเพราะสิ้นปัจจัยก็ไม่มีการตายในที่ไหนสังขารธรรมทั้งหลายก็ไม่มีการตั้งมั่นอยู่ในที่ใดๆอย่าง แท้จริงสังฆตาธรรมเหล่านั้นไม่มีอำนาจการขวนขวายที่เกิดจากผู้ใดสร้างขึ้นเลยเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงต่อโพธิยานเป็นผู้ไม่กลับเป็นธรรมดาคือด้วยอนุภาพของการพิจารณาเนี่ยนะยิ่งจะเพิ่มพูคุณธรรมคือความอดทนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะตรัสรู้ความตรัสรู้จะมีได้หรือไม่อยู่ที่ความอดทนว่าพื้นฐานแห่งความอดทนมีขนาดไหนเนี่ยนะ เรียกว่าความอดทนนี่เป็นคุณธรรมที่หล่อหลอมพุทธคุณทั้งหลายให้สมบูรณ์และก็เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปที่กล่าวไปนั้นก็คือพิจารณาโทษของการไม่มีความอดทนแล้วก็อันนี้สองของการมีความอดทนการพิจารณาดังกล่าวไปเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเป็นปัจจัยของการสร้างบารมีเนี่ยนะ เป็นปัจจัยของการบําเพ็ญพุทธกากะธรรมธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีการพิจารณาคือสรุปว่าทุกข้อเนี่ยนะตั้งแต่ทานศีลเนคขมาเป็นต้นถ้าไม่ยาณสัมปยุตไปไม่รอดถ้าไม่มีปัญญาประกอบจริงๆเนี่ยนะไม่มีปัญญาประกอบในการให้ทานไม่มีปัญญาประกอบในการรักษาศีลตลอดจนถึงถ้าไม่มีปัญญาประกอบจําไม่มีความอดทนอะไรเลยเนี่ยนะก็เหมือนอะไรเหมือนกับคนที่ศึกษาธรรมะไม่ได้ก็เนื่องจากขาดความ อดทนเนี่ยนะเขาบอกบางคนบอกฟังไม่เข้าใจหน่อยนึงก็บอกเลิกละเนี่ยนะไอ้ที่อย่างอื่นนี่ทนได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่สมควรจะอดทนไม่รู้ทนไปทําไมก็ไม่รู้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยนะเสียตังค์ต่างหาเนี่ยแต่ทนทนเนี่ยนะรู้ทนทำไมก็ไม่รู้เนี่ยแปลกนะเขบอกว่าทนในสิ่งที่ไม่เป็นสาระนี่ทนกันเอาเป็นเอาตายแต่ทนเพื่อรับสิ่งที่ดีมีประโยชน์และมีสาระเนี่ยทำไม่ได้เหมือนกับบางคนเนี่ยนะ เวลาทํางานเนี่ยรอแต่เวลาเลิกไอทีเวลาที่ไม่ใช่งานเนี่ยทำเอาตายอย่างเงี้ยไอสิ่งที่ไม่ใช่งานไม่ใช่อาชีพไม่ได้ช่วยปกปักรักษาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอะไรเลยแต่ทุ่มเทกับสิ่งนั้นอย่างเอาตายเนี่ยนะทีทำงานเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีเป็นต้นเนี่ยบางคนนี่เป็นลักษณะนั้นคือชั้นใดก็ดีผู้ที่แหมทํากิจกรรมเพื่อเฝ้าวัตตนเนี่ยเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจัง แต่บุญกุศลใดที่จะนําออกจากวัตตะกลับมาทอแท้เนี่ยนะยังอ่านในสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนที่จะนําออกจากวัตตะเนี่ยโอ้ยทุ่มเทแต่ว่าอ่านคุณธรรมที่จะออกจากวัตตะนี่แม่หาเหตุผลจนไม่ได้อ่านเหมือนั้นเถอะอธิบายได้ว่าทําไมไม่อ่านเนี่ยนก็อธิบายได้ว่าทําไมต้องเฝ้าวัตตะเหมือนันเนะก็นึ ก, น ก, นก็ตามใจกันลกันตามอัธยาสัยที่ไม่ใช่บารมีกันละกันเหนกันนะเนี่ ก็ท่านรับผิดชอบตัวเองข้าพเจ้าจะไปว่าอะไรเขาใช่ไหมอันหนึ่งการพิจารณาความถึงพร้อมแห่งสัจจะปรมีมาดูวิธีพิจารณาสัจจะเป็นต้นวา่าเว้นจากสัจจะเสร็จแล้วศีลเป็นต้นก็มีไม่ได้ถ้าเราไม่มีคําพูดอะไรที่มันสัจจะจริงอะไรสักอย่างเลยนะรักษาศีลได้ไหมจเจริญภาวนาได้ไหมสมถะวิปัสนาวิริยะเป็นต้นสําเร็จไหมยากเหมือนกันสัจจะนั้นสําคัญ เพราะไม่มีการปฏิบัติตามสมควรแก่ปฏิญญาพูดแล้วไม่เป็นคำเนี่ยนะถ้าพูดแล้วไม่เป็นคำรักษาศีลได้ไหมไม่ได้ถ้าพูดแล้วไม่เป็นคำจะเจริญสมถาวิปัสนาอะไรได้พูดแล้วไม่เป็นคำเนี่ยนะจะเพียรไปรอดหรือไม่ได้เพราะฉะนั้นคำพูดนี้สําคัญมากเพราะคำพู ด, พพดถ้าหากว่าพูดผิดเนี่ยนะเป็นการรวบรวมความเลวร้ายบาปประธรรมทั้งหลายเพราะก้าวล่วงสัจธรรม คนที่ก้าวล่วงศัจธรรมไม่มีสัจจะเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้เพราะนําถ้อยคําที่ไม่สมควรยึดถือต่อไปเอามาพูดอะไรที่ไม่ควรยึดพูดแต่ความสิ่งที่ไม่จริงเมื่อตัวเองพูดถึงแต่สิ่งที่ไม่จริงหลอกตัวเองตลอดเวลาเนี่ยนะคือแปลกนะคนที่จะหลอกคนอื่นสําเร็จต้องหลอกตัวเองอก่อนสมมติอาจารหลอกใครสักคนหนึ่งอธิบายได้เออนะถ้าเราโมศาย่างงี้ยังงี้เออมันสมเหตุสมผลเชื่อถือได้ ก็เลยไปหลอกคนอื่นแปลว่าตัวเองนี่เชื่ออยู่แล้วว่าเชื่อหลอกตัวเองก่อนแล้วก็จึงหลอกผู้อื่นประสบความสําเร็จนั้นใครที่พูดที่คําพูดที่ไม่ดํารงอยู่ในคําสัต์คําจริงเขามีปกติหลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อหลอกลวงตัวเองตลอดเวลาเคยได้ยินไหมว่าความหลอกลวงผู้ที่ยิ่งอยู่ด้วยความหลอกลวงและประสบความเจริญความสุขอริยะเทพนี่มีไหมมีแต่อริยสัต มีแต่อริยะที่เป็นความจริงแต่อริยะที่ปลอมๆไม่มีเนี่ยนะก็ไอของหลอกลวงเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่ทนใช่ไหมมันไม่ใช่ของแท้อริยสัจเนี่ยเป็นของจริงเป็นของแท้ถ้าหลอกลวงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยนะตอนปลายจะเป็นยังไงหลอกตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยจะเห็นอริยสัจได้อย่างไรก็กลายเป็นผู้ที่เรียกว่าตัวเองยังไม่เชื่อถือตัวเองเลยอันนั้นแล้วจะเห็นอริยสัจที่จริงแท้ได้อย่างไรเนี่ยนะอริยสัจคือความจริงแท้ ในระดับสูงเนี่ยนะเขามีกับคนจริงแท้กับคนที่มีคําพูดที่แน่นอนเที่ยงแท้สังเกตดูนะนิสัยคนศึกษาธรรมะเป็นคนหล่อแหลมเลยพวกเราแหล่โดยมากไปไม่รอดเนี่ยนะเพราะอะไร ก, ก็มันก็สมควรกับความหล่อแหลมนี่แหละต่อไปบอกว่าผู้ที่มีสัจจะสมบูรณ์เนี่ยนะจึงเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้งปวง แต่คำว่ามีสัจจะในที่นี้ก็คือตั้งสัจจะไว้ว่าจะให้ทานจะรักษาศีลจะเจริญเนคขมานะคำพูดเหล่านี้จึงจะเป็นคำพูดที่เป็นสัจจะแต่ถ้าพูดว่าจะต้องฆ่าให้ได้จะต้องรักให้ได้จะต้องผิดการมเมกคนนี้ให้ได้เป็นต้นถ้าอย่างนี้รีบถอนเธอรีบถอนเธอถ้าถอนเร็วเท่าไหร่ ย, ยิ่งได้บุญเท่านั้นเนี่ยนะบุญเร็วเท่านั้น เพราะว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปรักษาสัตจะเพราะว่าสัตว์จะแบบนั้นเนี่ยตกนรกเนี่ยนะบางคนเนี่ยพวกผูดเวรบวกชาตินี้ถ้าฆ่าคนนี้ไม่ได้ไม่มีความสุขถ้าอย่างนี้รีบละรีบสละรีบรีบ ร, ร, ร, ร, ร, รีรีบรีบรีบรีบรเบรีบรีบรีบรีบรีบระบรีบรีบรีบรีบรีบรีบริงรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรี่รีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรบรรีครีบรีบีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีรีรีบนีบรีบรีบรีบรีบรีีี น, น, น, น, นรีบรีบรีบรีบรีบรีรีรีี เพราะว่าผู้ที่ดํารงมั่นอยู่ในคุณธรรมคือสัจจะจะทําให้คุณธรรมทุกอย่างสําเร็จผู้ที่มีใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมก็สามารถจะบำเพ็ญโพธิสมภารข้อปฏิบัติที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าได้บริสุทธิ์การกระทํากิดแห่งโพธิสมภารทั้งปวงเนี่ยนะคือนิพพานเนี่ยนะเป็นความจริงเป็นความแท้เป็นความแน่นอนเนี่ยนะคนที่ปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันจะเห็นพระนิพพานที่แน่นอนได้ไหม อริยมรรคเนี่ยเขามีชื่อว่าสัมมตานิยามเป็นความถูกต้องโดยชอบอย่างแน่นอนแห่งกุศลธรรมถ้าเบื้องต้นเนี่ยไม่แน่นอนแล้วจะบรรลุธรรมที่แน่นอนได้ไหมเบื้องต้นไม่มั่นคงแล้วจะตรัสรู้ธรรมที่มั่นคงได้ไหมบอกอยากเพราะความแน่นอนในแง่ของคําพูดจะต้องมีก่อนเป็นเบื้องต้นเพราะว่ากระทํากิจทุกอย่างเนี่ยนะที่สําเร็จได้จะต้องไม่ผิดต่อสภาวะธรรม ไม่ผิดต่ออริยสัจจะทำอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ทำกิจในอริยสัจคือความจริงความแท้จริงแท้ของทุกข์เป็นอย่างไรจริงแท้ของสมุทัยเป็นอย่างไรอัดที่จริงแท้ของนิโรธเป็นอย่างไรอัดที่จริงแท้ของอริยมรรคเป็นอย่างไรถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในความจริงแท้ตั้งแต่เบื้องต้นจะแทงตลอดจะตรัสรู้อัดที่จริงแท้ได้ไหมไม่ได้อัดที่จริงแท้ของทุกขาริยสัจเป็นอย่างไร ความจริงแ ท, ขง ท, งแท้ของทุกข์ก็คือจริงแท้ของทุกข์ก็คือปีรณาสันตาปะวิปริณามะและสังคตะอันนั้นคืออัตตาที่จริงแท้ของกองทุกข์ทั้งหลายแล้วอัตที่จริงแท้ของสมุทัยล่ะอายุหานะอันนนิธานะสังโยคะและเปริโพธะอันนี้คืออัตที่จริงแท้ของสมุทัอทยอัตที่จริงแท้ของนิโรธก็คือนิสารณนะ อสังคตะวิเวกะามตะนั่นคืออัตตาที่จริงแท้ของนิโรธอัตที่จริงแท้ความหมายที่จริงแท้ของอริยมรรคก็คือนิยานิกะเหตุทัศนะและอธิปไตยคือสภาวธรรมเหล่านั้นเป็นสภาวธรรมที่จริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าดำรงอยู่ในข้อปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจะเข้าถึงอริยสัจที่จริงแท้ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ไหมบอกเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะเอากหาปณ ะ, ะปลอมไปซื้อของจริงของแท้สําเร็จไหมไม่ได้ข้อปฏิบัติถ้าจอมปลอมแล้วก็ไม่สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจที่จริงแท้ได้มันข้อปฏิบัติที่จริงแท้เท่านั้นจึงจะสมควรแก่การตรัสรู้ธรรมที่จริงแท้เนี่ยนะการข้อปฏิบัติในเบื้องต้นอันนันด้วยการหลอกลวงจึงไม่สามารถสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าที่จริงแท้ได้หรอกท่านก็เลยดํารงอยู่ใน สัจจะเนี่ยนะดำรงอยู่ในคันลองแห่งสัจจะถ้าเป็นคนที่พูดคำพูดเลอะและแล้วถามว่าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะพูดความจริงได้หรือเป็นไปได้หรือจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าพูดตรัสแต่พระดำรับที่จริงที่แท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงยะถาวาทีตถาการีเนี่ยนะพระองค์พูดอย่างไรพระองค์ก็จะทำอย่างนั้นทำอย่างไรพระองค์ก็จะตรัสเช่นนั้น มันจริงแท้ตั้งแต่แรกแล้วจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้จริงแท้นะนะคำพูดของพระพุทธเจ้าที่จริงแท้จะหลอกลวงสรรพสัตว์ทำไมเพราะพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ในข้อปฏิบัติที่จริงแท้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเนี่ยนะนะนี่ต่อไปวิธีพิจารณาโทษของการไม่มีอธิษฐานแล้วก็ผลอนิสงส์ที่เกิดจากการอธิษฐานว่า วิธีพิจารณาบอกว่าการสมาทานอธิษฐานอธิษฐานคืออะไรก็คือสมาทานว่าจะให้ทานนั่นแหละเรียกว่าอธิษฐานไม่ใช่ขอเนะของคนละอยา่างไอ้าแบบไอ้ที่ขอขอเขาเรียกว่าตั้งความปรารถนาแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยแปลว่า สมาทานในการให้ทานสมาทานที่จะรักษาศีลสมาทานที่จะเจริญเนคคัมมะสมาทานที่จะเจริญปัญญาสมาทานในการเจริญวิรยิยะสมาทานให้มีขันติสมาทานในสัจจะคำสมาทานทั้งหลายแหละการสมาทานทางกายวาจารหรือใจการปฏิสถานนั่นแหละเรียกว่าอธิฐานอธิฐานนั้นเป็นการไม่หวั่นไหวในการเจริญคุณธรรมเหล่านั้นเช่น ถ้าบอกว่าอธิษฐานสมาทานว่าจะให้ทานไม่มีอะไรทําให้หวั่นใจได้ที่บอกว่าเลิกให้เป็นต้นก็ไม่มีสมาทานอธิษฐานที่จะรักษาศีลก็ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจให้เลิกรักษาศีลถ้าสมาทานที่จะเจริญเนคข ม, มะไม่มีอะไรที่จะทําให้จิตใจเปลี่ยนแปลงในการเจริญเนคขมะถ้าสมาทานไว้แล้วว่าจะอบรมเจริญปัญญาก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถที่ทํา เปลี่ยนแปลงพลิกจากการเจริญปัญญาได้เพราะสมาทานตั้งอธิษฐานตั้งมั่นเหมือนภูเขาหินแท่งทึบนี่นะที่เรียกว่าไม่สะเทือนด้วยลมที่มาจากทิศทั้งสี่การอธิษฐานในการเจริญกุศลของท่านก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อยู่ในคุณธรรมเหล่านั้นให้ทางชนิดที่ไม่หวั่นไหวรักษาศีลแบบไม่หวั่นไหวเจริญเนคขมะอย่างไม่หวั่นไหวมีปัญญาเจริญปัญญาเป็นปัญญาที่ไม่หวั่นไหวเพราะรู้จริง แล้วก็มีความภาพเพียรพยายามอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวและไม่เปลี่ยนแปลงนะมีความมีความอดทนมีขันติเหมือนกับแผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวและเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากการสมาทานเกิดจากการสมาทานอธิฐานอานสมาทานอธิษฐานที่จะตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเองเรให้คนก็ดีใจมากถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองลอย เขบอกว่าเช่นปีติเองอย่างเงี้ยมันอยากปีติมันก็ปีติขึ้นมาเองมันอยากจะเจริญกุศลมันก็อยากให้ทานมันก็อยากให้เองบางคนนี่ชื่นชมประเภทนั้นแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านสมาทานสมาทานที่จะทํามันไม่ทําต้องเค้นให้ทําถ้ามันไม่รักษาก็ต้องรักษาถ้าไม่เจริญกุศลต้องน้อมไปเพื่อเจริญกุศลหาเหตุหาผลในการเจริญกุศลอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เป็นพวกลอยไปตามน้ำเนี่ยนะไม่ใช่ลอยไปตามน้ำอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดมีหน้าแล้วจึงเกิดในวัฏฏะได้ตั้งน้นก็อะไรจะเกิดมันจะเกิดมันจะเกิดในภพไหนก็ช่างมันก็ให้มันเกิดไปเนี่ยนะแมชาติตามด้วยชราปยาที่มรณะทุกแน่แต่นี่ทางธรรมะไม่ได้เป็นอย่างนี้เกิดจากการอธิษฐานเกิดจากการสมาทานปฏิสฐานเพื่อให้มีคุณธรรมทั้งหลาย เพราะว่าการอธิษฐานชนิดที่ไม่วันไวในคุณธรรมเหล่านี้นี่แหละเป็นการประชุมเป็นการสมาทานเพื่อกำจัดปฏิปักขธรรมออกไปถ้าไม่สมาทานนะเชื่อไหมยากจะให้ทานเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งใจให้มันจริงๆหน่อยนะมันพร้อมที่จะเลิกนะจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะจะเจริญกุศลเช่นให้ทานเนี่ยบางทีนะพอคนพูดไปพูดมาพูดม า, พ, ดมาพูดไปเลิกเลยจะรักษาศีลก็เหมือนกันเนี่ยนะ คนอื่นเขากล่อมซ้ายกล่อมขวาพูดหน้าพูดหลังไปเนี่ยนะไอตัวที่ทําให้หวันไวในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินลมปากอีกแล้วถ้าไม่สมาทานให้ดีๆเนี่ยนะลมปากที่เขาเป่าเขาเสกเสกหูซ้ายเสกหูขวาหูซ้ายหูขวาเสกทั้งต่อหน้าและรับหลังเสกทั้งธรรมดาและโทรศัพท์เนี่ยนะโอ้ยเปลี่ยนหมดนะพร้อมที่จะเลิกได้นะมาเชื่อเลยว่าคําเสกคาถาที่มันเป่าเนี่ยนะพร้อมที่จะเอียงที่จะเจริญกุศลได้หมดอนะ่ะ มันจะต้องหมั่นสมาทานให้ดีๆอธิษฐานให้ดีๆไม่อย่างนั้นเนี่ยนะกุศลเสียหายแน่เนี่ยนะแต่ในชั้นแรกจะลืมมาอธิษฐานเนี่ยนะมันอยู่บารมีข้อที่8ดนะมันไม่ใช่บารมีข้อที่หนึ่งขึ้นต้นอธิษฐานแบบไม่เข้าใจอะไรซากอย่างก็ไม่ใช่นะนี่อยู่ข้อ8ทําไมพระพุทธเจ้ามาแสดงไว้ข้อที่8คือพื้นฐานจะต้องเข้าใจคุณอย่างอื่นเข้าใจเรื่องงานให้ทานรักษาศีลอ บ, บรมเจริญเนคคัมมะเพราะปัญญาสร้างวิริยะมีขันติ มีสัจจะแล้วก็ต้องมั่นคงกับสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มั่นคงนี่เลวไหลนะถ้าเหลีวไหลแล้วสาเร็จได้ไหมเนี่ยนะไหลไปเรื่อยเนี่ยนะเป็นคนเพเพลื่นไหลแบบตะไลเนี่ยนะสำเร็จไหมกลายเป็นพวกอมาราวเวกเขะปะเลื่อนไหลตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะไหลไปเรื่อยเปลยเนี่ยนะคนที่เจริญกุศลแบบเรื่อยเปลยก็ชั้นนั้นเนี่ยนะไม่ประสบความสําเร็จอะไรหรอกการสะสมบารมีมีฐานะบารมีเป็นต้น อันมีโพธิสมภานเป็นนิมิตหมายคำวา่าทำทุกอย่างให้ทานก็เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณรักษาศีลก็เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเจริญน่คัมมะก็เพ <net> ื่อสัมมาสัมโพธิญาณเจริญปัญญาก็เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเพียรด้วยวิริยะก็เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณอดทนอยู่นั่นแหละก็เพราะสัมมาสัมโพธิญาณสัจจะทั้งหลายคำพูดทั้งหมดก็เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณ ถามว่าทุกอย่างที่ทำเพื่อสัมโพธิญาณเนี่ยถ้าไม่มีใจกล้าอธิษฐานอย่างมั่นคงอย่างแท้จริงเนี่ยนะไปรอดไหมก็เหมือนกับอย่างว่าเนี่ยนะถ้าหากว่าเราจะสร้างบ้านเนี่ยนะแบบไม่ปักไม่อะไรเลยมาตั้งไว้โดโดเสาเดียวเนี่ยนะไม่มีอะไรมาค้ำมาจุนให้มันมั่นคงนี่เป็นยังไงเปลววอนไปหมดใจของเรานี่มันยิ่งไม่มีรากอยู่ด้วยใช่ใจของเราไม่มีอะไรมายึดมีน็อตมีสกรูมีอะไรมายึดได้แบบภายนอก ยิ่งเร็วฉะนั้นพันจะต้องอธิษฐานให้อโลภะมันรากลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ให้อโทสะนี้ยังรากลงลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ให้อโมหะลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้แล้วก็ให้รากมันกว้างขวางแผ่อย่างถ้าอย่างเนี้ยต้นบุญต้นกุศลเรามั่นคงแน่นอน เพิ่มรากวิธีการเพิ่มก็คือเพิ่มรากอธิษฐานให้รากมันมั่นคงรากคืออะโลภะรากคืออโทสะรากคืออะโมหะให้มันมีกําลังรากคือการกําจัดความโลภรากคือการกําจัดความโกรธรากคือกําจัดความโง่เขลาวความเข้าใจผิดทั้งหลายเนี่ยต้องสร้างให้มันมั่นคงถ้าสร้างฐานตัวนี้ไม่มั่นคงนะอย่าว่าบรรลุเลยเนี่ยนะ ขึ้นแรกกันนะตอนแรกว่าจะไปนั่นอยู่ดีๆเนี่ยนะไม่รู้ปรับโปรแกรมนั่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะบางคนนี่กลายเป็นว่าใช้ชีวิตตุ้ปั๊ตุ้เปไปวันๆหนึ่งไม่มีเป้าหมายนะเป็นลักษณะอะไรที่มันลอยกลางทะเลนะแล้วแต่ลมมันจะพัดอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็กไม่มีอะไรนะก็เฝ้า ว, วัตตะต่อไปก็เหมือนมีอะไรก็จ่ายด้วยการอยู่ชดใช้วัตตะไปก็แล้วกันเนี่ยนะโทษฐานที่ไม่มั่นคง ทีนี huh. does, does, it it. ้ผู้ที่มีความมั่นคงนะทวนอีกครั้งว่าทำทุกอย่างทำด้วยความบากบั่นและมั่นคงเพื่ออะไรเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อสัรพะสัตทั้งหลายเพื่อนำประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายจึงเราเมตตาต่อไปเนี่ยนะทำทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัรพะสัตทั้งหลายเป็นการนาประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แกสัตว์ทั้งหลายก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสั่นเสริญสั่เสริญ โอวาทานุศาสนีการโอวาทและตามสั่งสอนเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ตามสั่งตามสอนตามโอวาถามว่าเพื่ออะไรนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตรงตามพร่ำตามสอนในโลกนี้ไม่มีใครพูดมากเท่าพระพุทธเจ้าพูดมากด้วยและพูดเร็วด้วยเราพูดคําหนึ่งพระนนท์พูดได้แปดคำพระนนท์พูดได้หนึ่งคำพระพุทธเจ้าตรัสได้ สิบหกคำเราพูดคำหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ร้อยกว่าคำเนี่ยนะแล้วพระพุทธเจ้าเทศแป๊บเดียวเนี่ยคือถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสสักครึ่งวันเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกได้หมดแล้วแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเทศมากเทศมากจริงบางทีเนี่ยอย่างเส้นอภิธรรมปิฎกเนี่ยเทศจนแท้ว่าสามเดือนเนี่ยนะไม่มีหยุดพูดเร็วขนาดนั้นนะสามเดือนไม่มีหยุดเนี่ยนะถ้าเขียนมาเป็นตัวหนังสือเนี่ยเราตาลายแล้วนะ ของเราเนี่ยถ้าเห็นพระไตรปิฎกแบบเอามาแบบนั้นหมดเลยนะแล้วก็ไม่มีพิมพ์แบบไปยานไม่มีไม่มีจุดจุดจุดไม่มีอะไรเนี่ยนะโอ้ยไม่รู้จะบอกเลิกอ่ะนะแค่นี้ก็บอกเลิกแล้วเนี่ยนะบอกเลิกอะไรถ้าท่านไม่มีจุดจุดไปยานเร็กไปยานใหญ่ไปยานน้อยปฏิสัมพิธาเนี่ยสงสัยจะสูงเป็นศอกเหมือนกันนะอันนถ้าไม่มีไปยานนะปฏิสัมพิธาอย่างเดียวนี่ก็สูงเป็นศอกแล้วล่ะแต่ว่าไปยานเนี่ยมาช่วย มาช่วยให้ไว้ละล ะ, ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันรู้กันเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไม่เกียรติคราในการแสดงธรรมเนี่ยนะของเราบอกรู้กันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะไม่มีบอกโอ้ยรู้กันรู้กันไม่มีทงพูดเต็มหมดเลยทุกพยัญชนะอักขระจะไม่ขี้เกียจในการแสดงธรรมเพราะทุกอย่างพระองค์มีเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลาย ผู้ที่มีเมตตาเท่าอย่างนี้ขนาดนี้ทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเพิ่งมีหรืออย่างไรเพิ่งมีตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าหรือไงบอกไม่มีตั้งแต่อดีตแล้วเนี่ยนะเพราะสร้างคุณธรรมอันนี้สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการสร้างขึ้นเพราะโพธิญาณเนี่ยเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมเกิดจากการก่อร่างสร้างขึ้นมาทั้งนั้นสร้างด้วยอะไรเนี่ยเมตตาราะ ทุกอย่างเนี่ยเมตตาที่น้อมนําประโยชน์และความสุขเข้าไปให้สัตว์ทั้งหลายนั้นก็เลยมีการพิจารณาว่าอันผู้ตั้งลงในคุณเพียงเพื่อประโยชน์ตนเว้นความเป็นผู้มีจิตมุ่งประโยชน์ในสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถบรรลุสมบัติในโลกนี้และสมบัติในโลกหน้าได้ไม่ต้องพูดถึงผู้ไขย่างสรัรพสัตว์ให้ตั้งอยู่ในนิพพานสมบัติกันละ อางี้เนี่ยคนที่ขาดเมตตาต่อตัวเองนี่ประสบความเจริญได้ไหมมันไม่เคยคิดให้ตัวเองได้รับความคุณงามความดีอะไรเลยเนี่ยเรียกว่าคนที่ขาดเมตตาต่อตัวเองคนที่ขาดเมตตาต่อตัวเองคือคนอยังไง ร, รู้ไหมเป็นคนหาเรื่องตำหนิตัวเองได้ทุกง่ทุกมุมด่าตัวเองได้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่รู้ขุดมาด่าตัวเองได้ยังไงขนาดนั้นก็ไม่ทราบไม่เคยเพิ่มอะไรที่ตัวจะให้ได้ดีได้ดีเมืออกัน เรเป็นคนที่ว่าเป็นคนช่างติติโดยเฉพาะตําหนิตัวเองไก่แค่นั้นแหละมันทําดีไก่แค่นั้นแหละบางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะเป็นคนที่ตําหนิตัวเองดูถูกเหยียดหยามตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นพวกที่ขาดเมตตาต่อตัวเองใครที่ขาดเมตตาต่อตัวเองอย่างนี้เนี่ยคิดได้ไหมว่าจะบรรลุมรรคผลได้ยากเพราะคนที่บรรลุมรรคผลได้คือคนที่น้อมนําประโยชน์ให้แก่ตัวเองเพิ่มขึ้นพูดภาษานี้ เหมือนกับคําว่าเห็นแก่ตัวแต่นี้เขาไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวแบบแบบในในศัพ ท, ที่ทางโลกเขาใช้แต่เรียกว่าเป็นผู้เห็นแก่ประโยชน์แก่ตนเห็นแก่ประโย ช, โย ช, โยชน์โลกนี้ของตนเห็นแก่ประโยชน์โลกหน้าของตอนตงเห็นแก่ประโยชน์ kee, อย่างยิ่งของตอนการน้อมนำประโยชน์เข้าสู่ตนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือตรงนี้เนี่ยนะผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ตนอย่างนี้เนี่ยหมายคขาว่าอยู่ด้วยกุศล เพราะกุศลทั้งหลายไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็มีเรื่องเล่าว่าพ่อกับลูกที่เป็นนักกายกรรมไปเล่นกายกรรมกันเป็นคนวันนะจันทานเนี่ยนะก็ก็อีกคนหนึ่งอยู่ปลายไม้ไผ่ข้างบนอีกคนหนึ่งอยู่ปลายไม้ไผ่ข้างล่างก็เป็นการเล่นกายกรรมคู่ผู้เป็นพ่อก็ร้องบอกลูกว่าลูกช่วยรักษาพ่อด้วยนะลูกช่วยรักษาพ่อด้วยนะ พ่อจะช่วยรักษาลูกลูกช่วยรักษาพ่อก็แล้วกันเราก็มาประกอบเล่นกายกรรมอย่างนี้ก็จะเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้ไอ้คนที่เป็นลูกก็บอกพ่อรักษาพ่อให้ดีก็แล้วกันผมจะรักษาผมอย่างดีพ่อรักษาพ่อผมรักษาผมถ้าผมรักษาผมพ่อรักษาพ่อเราก็จะสามารถประกอบอาชีพอย่างนี้ไปได้อย่างผาสุกว่างั้นเลี้ยงเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวไปได้ในคำสองคนที่พูดนี้ใครชื่อว่าพูดถูกต้อง พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เป็นลูกผู้ถูกต้องเพราะผู้ใดรักษาประโยชน์ดูแลตัวเองได้รักษาประโยชน์ตนได้ชื่อว่ารักษาประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะถ้าใครที่อย่างเหมือนกับว่าคนป่วยช่วยคนป่วยสาเร็จหมอันนียากกังกันก็มีแต่คนหายป่วยเท่านั้นแหละที่คนช่วยคนที่ไม่ไม่ป่วยด้วยถ้าคนพิการช่วยคนพิการสาเร็จหมตาบอดช่วยคนตาบอดเพื่อจะได้ตาดีขึ้นเป็นไปได้ไหม ญอดชันใดนี่ก็เหมือนกันใครที่รักษาประโยชน์ตนได้จึงจะสามารถรักษาประโยชน์ผู้อื่นได้สามารถที่จะรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้แต่ประโยชน์ในที่นี้หมายถึงประโยชน์ที่เป็นกุศลคําว่ากุศลแปลว่าไม่มีโทษเกิดจากความฉลาดให้ผลเป็นความสุขเนี่ยนะมีวิบากที่น่าปรารถนาเผั้นใครที่สามารถรักษาประโยชน์ตนได้ก็สามารถที่จะรักษาประโยชน์ของผู้อื่นได้ทั้นในโลกนี้ ผู้ใดจะได้รับประโยชน์สูงสุดเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ประโยชน์สูงสุดคือสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์จึงช่วยทรงรักษาประโยชน์แก่สัตว์อื่นได้เพราะในพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะคนที่จะประสบความสําเร็จเจริญยริงๆคือคนที่รักษาประโยชน์ของตนได้ก็อย่างที่ว่าประโยชน์ผู้อื่นแม้มากทําอะไรได้แต่ตรงนี้เนี่ยสำหรับพระโพธิสัตว์รักษาประโยชน์ตนแล้วมุ่งรักษา ประโยชน์ผู้อื่นปกปักรักษาประโยชน์ตนจึงช่วยให้ประโยชน์ของผู้อื่นดํารงมั่นอยู่ได้พันท่านจึงปรารถนาประโยชน์แก่ตนประโยชน์แก่ตนก็คือการสร้างบารมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณบัดนี้หวังโลกิยะสมบัติก็ควรแล้วภายหลังค่อยหวังโลกุตระสมบัติแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตอนแรกเนี่ยหวังประโยชน์ให้มีแก่ตนเนีหวังว่าตนจะต้องให้ทานหวังว่าคือ คนที่ให้ทานเนี่ยจะได้รับประโยชน์ใช่ไหมบอกใช่เราจะต้องให้ทานเพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการให้ทานเราต้องรักษาศีลเพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการรักษาศีลเจริญคุณธรรมเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์เมื่อตนได้รับประโยชน์อย่างนี้แล้วจึงจะช่วยน้อมนำประโยชน์ที่มีอยู่ไปสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ บัดนี้เราไม่สามารถทําการนําเข้าไปซึ่งประโยชน์สุกแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยอัธยาศัยเล็กๆนน้อ ย, อยเมื่อไหร่เราจะยังความเพียรให้สําเร็จประโยชน์นั้นได้เล่าหมายความว่าคือผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะจะต้องมีอัธยาศัยทําได้ไม่ได้ไม่รู้ล่ะแต่มีอัธยาศัยน้อมนําประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก่อน น้อมนำว่ า, รราทำฉไนสัตว์ทั้งหลายจึงจะได้รับประโยชน์ทั้งที่เป็นโลกิยะและประโยชน์ที่เป็นโลกุตระประโยชน์เหล่านี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์พบนี้ประโยชน์พบหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งอัธยาศัยของท่านเป็นอย่างนั้นก่อนนั่นเป็นอัธยาศัยเป็นเป็นพื้นเพของความคิดของท่านเป็นความรู้สึกของท่านโดยธรรมดาว่ า, าทำฉไนสัตว์ทั้งหลายจะประสบแต่ความสุขและความเจริญ เมื่อท่านมีอัธยาศัยอย่างนี้แล้วท่านจึงมีประโยคะอัธยาศัยก็คืออาศัยะแล้วก็ความเพียรตอนนั้นมาจากคําว่าประโยคะท่านมีประโยชคะที่จะช่วยประกอบให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยดำรงอยู่ในประโยชน์ต่อไปได้เพราะฉนั้นเบื้องต้นท่านมีอัธยาศัยในการช่วยเหลือสรัรพพสัตย์ให้สรัรพสัตย์ได้รับประโยชน์ก่อนต่อมาท่านจึงภาคเพียรพยายามในการสร้าง สร้างประโยชน์ให้แก่สัพพสัตทั้งหลายทั้งจึงมีทั้งพฤติกรรมและความคิดที่ช่วยให้สัพพสัตได้รับประโยชน์อยู่เสมอบัรนี้เราให้เจริญด้วยการนำประโยชน์สุขไปให้แก่สัพพสัตทั้งหลายตอนแรกก็บอกว่าภายหลังนำประโยชน์ให้แก่ตัวเองก่อนแล้วจักได้นำประโยชน์คือการจำแนกแสดงทาให้แก่สัพพสัตทั้งหลาย ก็ตอนต้นเนี่ยนะาแปลกนะในโลกนี้เนี่ยถ้าจะให้ต้นไม้มันให้ผลแกเราเราต้องทำยังไงแกต้นไม้าต้องให้ประโยชน์แก่ต้นไม้ก่อนนะแล้วต้นไม้จะให้ประโยชน์แก่เราในโลกนี้เนี่ยน ะ, ะถามว่าทำไมเนี่ยทักจึงสอนให้เรื่องการให้ฐานก่อนเพราะว่าถ้าเรารู้จักให้แก่ผู้อื่นได้แล้วประโยชน์ทั้งหลายก็จะไหลเข้ามาหาตัวแต่ถ้าเรา ไปเที่ยวเอาแต่ประโยชน์ของคนอื่นโดยที่ไม่ให้ประโยชน์แก่คนอื่นเลยเนี่ยนะกลายเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์คนที่ไม่มีประโยชน์เขาจะรักษาไวปไหมในโลกนี้เนี่ยนะคนทีรน่รักษาการตกปักรักษาการอย่างน้อยให้ประโยชน์กันได้ถ้าสิ่งใดที่ไม่ให้ประโยชน์แก่ใครเลยเรียกว่าอะไรของไหนๆที่เรียกว่าไม่ให้ประโยชน์แก่ใครเลยเรียกอะไรเรียกว่าขยะต้องจ้างเอาออกนะจ้างเอาไปทิ้งเพราะอะไรเพราะมันไม่มีประโยชน์ฉันใด ในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะเมตตานั้นลักษณะน้อมนําประโยชน์เข้าหาตนและน้อมนําประโยชน์เข้าหาคนอื่นตนเองได้รับประโยชน์ที่สูงสุดแล้วอธิบายบอกเล่าสแสดงว่าวิธีที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้รับประโยชน์ที่แท้จริงทําอย่างไรเพราะฉะนั้นพึงเข้าไปตั้งความเป็นผู้มีอัธยาศัยในการบําเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์พสกทั้งหลายพร้อมกับความพิเศษว่าสัตว์เหล่านี้ เป็นบุญยเขตอย่างยิ่งมองเห็นเขาเป็นนาบุญที่เราจะต้องเอาประโยชน์จากเขาแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะมองว่ารประโยชน์เขาคือนาบุญเขาคือนาบุญของเราเนี่ยนะเขาคือนาบุญของเราขั้นตอนแรกเลยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเขาบ่างด้วยกุศลนะไม่ใช่ไม่ใช่กิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะแต่เป็นว่าเราจะทำบุญอะไรแก่เขาบ้างจนกว่าเห็นเขาแลวเราได้บุญเลยเนี่ยนะเห็นเขาเมื่อไหรได้ยินเขาเมื่อไรเกี่ยวข้องกับใคร เราได้ประโยชน์ตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะทำบุญไว้เสร็จแล้วเนี่ยนะฉะนั้ น, นะนเกี่ยวข้องกับผู้ใดกับสัตว์เหล่าใดาเราได้บุญเรียบร้อยแล้ว